สิ่งมีสาระก็รู้ว่ามีสาระสิ่งไร้สาระก็รู้ว่าไร้สาระคนมีสัมมาทัศนะเช่นนี้ย่อมจะมีโอกาสเข้าถึงสาระพุทธภาษิต ประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับคุณหมอนในเช้าวันนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นที่ว่าในการที่เราอยู่ในท่ามกลางยุคข่าวสารที่รวดเร็วมากๆอย่างที่เป็นอยู่เนี่ย น, นะคะเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เราเนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างรู้เท่าทันข่าวสารรู้จักที่จะฟังรู้จักที่จะแยกแยะแล้วก็ไม่ด่วนที่จะสรุปหรือว่าตัดสินใจเร็วเกินไป จริงๆแล้วทุกคนก็รู้นะคะคุณหมอว่าข่าวคราวต่างๆที่นําเสนอกันในทีวีก็ดีวิทยุก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพียงสินค้าชนิดหนึ่งคุณหมอเห็นด้วยไหยคะครับเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่นักข่าวหรือว่าผู้ทําข่าวเนี่ยก็อยู่ในฐนานะผู้ค้าข่าวด้วยเช่นกันแล้วการนําเสนอเนี่ยเขาก็มักจะเลือกที่จะทําข่าวที่ทําแล้วได้เงินหรือว่าเรียกร้องความสนใจให้คนมาซื้อหามาฟัง มากกว่าที่จะเป็นการรายงานสถานการณ์ตามความเป็นจริงในทุกๆด้านก็เป็นไปในลักษณะดีมานกับซัพพลายนะครับค่ะคนฟังคนอ่านเขาก็ชอบประเภทนี้ก็หิวข่าวครับคนขายเขาก็พยายามจะหาสิ่งที่เรียกว่าผู้บริโภคสนใจอะนะคือว่าต้องโดนใจไงคะต้องโดนใจโดนใจคนอ่านคนฟังนะคะก็เป็นการสนองกิเลสก็ได้นะมันก็เลยจะเป็นอะไรที่มองกันในแง่ของ ความพอใจมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ในเง่การให้สาระอันเป็นความรู้ตามความเป็นจริงครัแล้วเมื่อวันก่อนที่พา้อาวาุโสกัมพลไปบรรยายให้กับคณะกรมการแพทย์ทางเลือกนะคะก็ได้มีโอกาสไปรู้จักกับวิทยากรท่านหนึ่งท่านใช้คําพูดที่น่าคิดมากเลยท่านบอกว่าท่านเนี่ยไม่ได้เกิดมาเป็นคนดีแต่ท่านเป็นคนที่โชคดีและหนึ่งในความโชคดีของท่านนั้นก็คือท่านเป็นคนที่เชื่อคนยาก แต่ท่านฟังคนง่ายแล้เหตุนี้เป็นเหตุให้ท่านสามารถพัฒนาความคิดจิตใจของตนเองจนสามารถเป็นผู้ที่มีความสุขในชีวิตได้อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เลยมีความสุกว่าท่ามกลางกระแสข่าวที่หลากหลายแล้วก็รวดเร็วในปัจจุบันเนี้จริงๆคนเสพข่าวเนี่เสพแล้วทุกนะคะคุณหมอครับ <laughs> ไม่ใช่ว่าเสพแล้วสุขจริงเนะะี่ะ ใจที่ได้ฟังข่าวได้รับทราบข่าวสารแต่ว่าทุกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะแนวโน้มของข่าวคราวเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องร้ายๆแรงๆซะมากกว่าเป็นเรื่องที่ดีๆนะคะนี่แล้วก็เลยเกิดความคิดว่าเอ๊ะคุณหมอคะแล้ว เ, เราจะมีวิธียังไงนาะที่จะปลูกฝังความคิดของผู้คนให้ไม่เชื่ออะไรง่ายๆไม่ด่วนตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ได้พูดถึงเรื่องของการละมาสูตรเอาไว้นะคะ คุณสมบัติอย่างนี้นี่เป็นก็เรียกว่าคุณสมบัติคือสมบัติที่เป็นคุณนะที่พึงประสงค์ที่เราควรจะช่วยกันปลูกฝังถ้าเริ่มก็ต้องเริ่มที่เยาวชนนั่นครับถ้ามาเริ่มกันตอนที่ไม้แก่นี่บางทีมันก็ปลูกยากฝังยากนะค่ะปลูกได้ฮะแต่เตรียมฝังเลยฮนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าทําให้เกิดความสงบสุขต่อสังคมต่อ ส่วนรวมหรือแม้แต่ในเบื้องต้นเลยก็คือแผลในใจิตใจของตัวคนทุกนั้นเองอ่นะครับภาษาของเราก็มีว่าฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดใช่ไหมฮะ <c oughs> หรือว่าเชื่อถือมงคลตื่นข่าวอะไรตำนองนี้เนี่ยการที่เราทําอย่างนั้นไปเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคยมีนิสยัยคือไม่ได้ฝึกนะไม่ได้ฝึกไม่ได้รับการปลูกฝัง ไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือว่าอาจจะเคยได้ยินได้ฟังถแต่ว่าเราไม่เคยน้อมเข้ามาสู่ตัวเรานะครัว่าคนส่วนใหญ่มักจะชอบพูดใช่ไหมฮะใช่ะแต่มักไม่ค่อยฟังนั่นแหละค่ะนอกจากฟังฟังแล้วก็ไม่ค่อยนํามาคิดคินิดคิดพิจารณาฝึกต้องคือเรียกว่าใช้โยนิโสมนัสิการนะพิจารณาโดยแยกคายนะครับการที่เราไม่ฝึกไม่ฝน ผลใจเราในลนักษณะนี้ไว้เนี่ยพอเรามีข่าวสารมีอะไรที่มากระทบหูเราเนี่ยใจเราก็จะเล่นไปในสิ่งที่เราสังสมไว้ในใจเราเนี่นะฮะชอบอะไรมันก็ไหลไปตามนั้นนะครับชอบเต้นหวยอะไรที่มันแว่วๆเกี่ยวกับหวยนี่ชอบพึ่งคนที่ชอบข่าวสงครามข่าวเศรษฐกิจพอได้ยินอะไรที่มันเกี่ยวกับที่เราเรียกว่าฝังใจอยู่หรือ ว, ว่าใส่ข้อมูลไว้แต่เดิมเนี่ย ใจเราเนี่ยมันก็เหมือนห้องสักห้องหนึ่งนะสาระหรือว่าอาสาระต่างๆที่เราใส่ไว้เนี่ยมันเป็นเชื้อภายในอยู่พอมันมีการกระทบจากภายนอกผ่านทางอาัยวนะไม่ว่าจะเป็นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไหลไปง่ายนะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเราสั่งสมอาการเหล่านั้นไว้ในใจของเราเองคขาด ก, การฝึกที่เรียกว่ามีการยับยั้งช่างคิดนะมันก็เลยทําให้ มีเหตุการณ์ที่เราพบเราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยมากนะครับแล้วก็ทําให้เป็นคนที่พัฒนาได้ยากนะ อ, ะอย่างที่ที่ชินีนาศว่าที่ท่านวิทยากรท่านนั้นว่าไว้ว่าค่านชอบฟังฟังง่ายเนี่ยจะเชื่ อ, อยากค่ะฟังง่ายเชื่ อ, อยากคือการเชื่อหรือไม่เชื่อนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องผ่านการการกลองต้องมีกระบวนการขนาดของคนทํางานระดับกองทัพ ข่าวสารต่างๆที่เวลาเขาจะไปต่อสู้กันหรือว่าดําเนินนโยบายต่างๆเนี่ยก็มีข่าวมาอาจจะร้อยข่าวพันข่าวนะครับก็จะมีแผนกวิเคราะห์ข่าวตัดกรองเขาเรมีหน่วยข่าวกรองค่ใช่ไหมฮะกรองข่าวว่าข่าวนี้เนี่ยมันน่าเชื่อถือไม่มีความเป็นไปได้ขนาดไหนนะครับจะต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมไหมหรือว่าโอ้อย่างนี้ใช่เลยสอดคล้องกับที่เคยเป็นมาจะต้องมีการวางแผนยังไงต่อไปนะฮะ ลักษณะของการลบหรือว่าการทำสงครามก็ต้องเป็นลักษณะนั้นนะครับวิสัยของคนไทยหรือว่าวิสัยของผู้ที่ไม่ได้อ่านกรองข่าวเนี่ยก็จะทาให้เขาเรียกว่าถ้าเป็นนักมวยก็โอากาสพลาดได้ง่ายนะฮะไม่รู้เขาไม่รู้เราที่ไม่รู้เขาไม่รู้เราเพราะว่าไม่เคยทิ่นิทิเคาะนั่นแหละครับงั้นการคิด โดยมีวิจารณญาณหรือว่าคิดโดยพินิพิจนาหรือว่าคิดโดยใช้โยนิโสมนสิการเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เรียก ว, ว่าคนไทยหรือว่านักเรียนหรือว่าเยาวชนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันปลูกฝังนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้ว เ, เราคงจะหวังว่าจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ยากนะครับนี่ตัวเราเองเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะ ในทางธรรมเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการมองด้านในครับพี่สีน่าหรือว่าเป็นการฟังด้านในเปรียบเทียบเหมือนที่พิ่ิีนีราศว่าไว้ว่าเจ้าฟังค่ะนะครับแต่ไม่เชื่อหรือว่าเชื่อได้ยากค่ะก็เช่นเดียวกันในเวลาเราจเจริญสติเราดูจิต ด, จดูใจดูความคิดนึกปรุงแต่งของเราค่ะดูความปรากฏขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่มันปรากฏอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยนะครับเราจะเห็น สิ่งเหล่านี้ว่ามันหลอกเราอยู่เชื่อมันได้ยากหรือถ้าเราวางใจไว้ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเชื่อไม่ได้ก็ยังได้นะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะต้องรู้ให้ถันก็คือฟังเข า, ขาฟังเขาบน่นฟังเขายินดีฟังเขายินล้าเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบแต่เราจะทำตามหรือไม่ทาตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรา นะครับ<ช>กา ร, รมองด้านในหรือว่าการฟังด้านในการที่เราฟังข้างนอกแล้วไม่เชื่อนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่ง น, นะครับแต่การฟังด้านในแล้วไม่เชื่อทำเฉพาะในสิ่งที่เห็นว่ามันถูกต้องสมควรสอดคล้องกับกานองคลองธรรมนั่นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นมุมมองด้านในที่ที่เห็นว่าน่าจะเป็นไปได้ดีกว่าข้างนอกเราส้ำไปนะค่ะคุณหมอกําลังบอกพวกเราว่าเวลาที่เราคิดอะไร หรือรู้สึกอย่างไรเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อตามความคิดหรือความรู้สึกที่แวบขึ้นมาในนาทีแรกซะเลยทันทีครับแต่ว่าให้ดูความคิดดูความรู้สึกของเราไปสักระยะหนึ่งก่อนครับรับรู้รับทราบค่ะปฏิเสธไม่ได้ครแต่ก็ไม่ทําตามครับผมถ้ามันเป็นอะไรที่มีสาระไม่มีสาระเนี่ยต้องรู้จักแยกแยะช่วงเนี้ยช่วงที่มันปรากฏขึ้นมาในจิตในใจของเราเนี่ยแหละพิจารณาเสียก่อนครับผม เหมือนอย่างทางพระเนี่ยเวลาท่านจะฉันเนี่ยท่านก็ต้องพิจารณาก่อนฉันใช่ไหมคะเวลาจะทําอะไรก็เหมือนกันก็ควรจะต้องพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย ค, ควรไม่คว ร, ครถูกกาลเทศะไหมอะไรก่อนแล้วค่อยลงมือแม่แม่จะทำพิษให้เราทีหลังก็คือสอนให้เราเนี่ยเป็นคนคิดก่อนทําครับ นะคะไม่ใช่ทําเสร็จแล้วค่อยมานั่งคิดว่าไม่นานเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะครับคําคคคพูดของผมไม่แนเ่ใจว่าของท่านธธาพุทธทาสกล่าวท่านบอกว่าพูดก่อนเนี่ยคําพูดเป็นเจ้านายเ ร, ครคาค่ะคําพูดเป็นนายของเราค่ะความพูดเป็นเจ้านายเราแต่ถ้าเราคิดก่อนพูดเนี่ยเราจะเป็นเจ้านายของความคิดค่ะเรียว่าเป็นเจ้านายของคําพูดจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราต้องฝึกเอาฮะต้องฝึกเอามันพูดเนี่ยพูดง่ายนะต้องรู้จกักคิดต้องรู้จกักพิจารณาเนี่ย แต่ถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆไม่รู้จักมีสติไม่รู้จักหยุดคิดไม่รู้จักพินิจทิจนาเนี่ยคมันเป็นเรื่องของการที่เราต้องทําเอาแล้วก็ต้องทําบ่อยๆด้วยซ้ำถ้าเราคิดว่ามันปีแต่ว่าเราไม่เคยฝึกะไม่พยายามที่จะฝึกให้มีสติมีสัมผัสัญญารู้สึกตัวอยู่เสมอๆการที่เราจะได้ยินได้ฟังปรากฏการภายในใจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยากค่ะเมื่อเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟัง ที่มันกําลังแสดงลวดลายภายในจิตใจของเราเนี่ยเราก็จะรู้ไม่ทันมันเนี่ยพอรู้ไม่ทันเราก็ไหลตามนันอาจารเขรียกว่าหลงไหลเน่ยนะคะ่ะก็มีคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะเขาใช้คําพูดว่าให้เราเนี่ยคิดทุกคําก่อนที่เราจะพูดแต่ว่าไม่พูดทุกคําที่เราคิด เพราะบางทีในความคิดของเราถ้าสํารวจให้ดีจะมีความคิดที่ไม่ดีไม่งามหรือถึงเข้าขั้นชั่วร้ายเลยก็ได้นะคะโผแวบมาแวบไปเหมือนผีหลอกอะค่ะอาจารย์ท่านบอกว่าคนทั่วไปที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นคนใจบุญสูนย์ทานเป็นคนธรรมะธรรมโมเนี่ยนะฮะที่ว่าตัวเองเป็นแม่พระนะฮะแต่พอเจริญสติสัพพัญญาไปกลับมาดูตัวเองบ่อยๆดูจิตตัวเองบ่อยๆสังเกตตัวเองบ่อยๆเข้า ดูไปดูมาเขาบอกว่าเอ้าจากแม่พระกลายเป็นแม่มดไปซะละตัวเราเนี่แหละที่จากเป็นแม่พระเนี่ยนะแหมมันมีความหงุดหงิบมีความยินดียิยร้ายผุดพลายอยู่เสมอค่ะนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราดูจากเช่นเดียวกันนะอย่าง ย, า ก, ยกตัวอย่างเช่นที่คําวันของวันเด็กผ่านมาเนี่ยนะะาจารย์นายกว่าถ้าอยากฉลาดต้องขยันอ่านขยันคิดก็ยังคุยกับคนที่พูดคุยกันอยู่ว่าจริงๆแล้ว มองว่าเป็นสิ่งที่ดีขร า, าดก็คืออยากมีความรู้เนี่ยต้องขยันอา่านขยันคิดแต่จุดหนึ่งที่เราไม่ค่อยพูดถึงกันหรือว่าลืมไปหรือยังไงก็ไม่ทราบแล้วมันกลายเป็นปัญหาในระยะยาวก็คือว่าเราลืมการหยุดคิดไปฮนะรเราลืมฝึกการออกจากความคิดการสอนให้คนเนี่ยหยุดคิดเนี่ยคุณหมอเชื่อมไหมคะว่ายากกว่า สอนให้คนรู้จักคิดอีกค่ะนั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทํานะนั่นแหะสิครับเพราะว่าเราสอนให้เขาเหยียบคันเร่งนะครับแต่ไม่ติดเบรกให้เขาด้วยเนียไม่มสอ น, อนให้แตะเบรกครับผมอันตรายคเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเขาคิดมากๆแล้วนี่คิดดูว่าตอนที่เขาต้องอยู่กับตัวคนเดียวเนี่ยต้องเจ็บแค่ได้ป่วยอยู่หรือว่าแม้แต่ถ้าจะต้องตายขึ้นมาเนี่ยความคิดที่มันกระเจิดกระเจิงอยู่เนี่ยมันไม่สงบ นะครับไม่ว่าจะคิดดีอยู่ก็ตามนะแล้วใจของเราเนี่ยมันจะทํางานตลอดเวลาการที่มันทํางานตลอดเวลาเนี่ยมันไม่วา่างจะเรียกว่าคิดมันวุ่นก็ว่าได้นะอย่างที่อาจารยำผลพูดบ่อยๆพราะมันมีความคิดมากมันก็วุ่นมากค่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราฝึกอ่านฝึกคิดไว้อย่างเป็นระบบเป็นระเบียบอันหนึ่งที่เราน่าฝึกก็คือฝุกหยุดคิดนี่นะครัค่ะเอคุณหมอค่ะ ตกลงเราจะใช้ชีวิตกันยังไงคะเนี่ยท่านนายยกบอกว่าให้รู้จักอ่านรู้จักคิด ค, คุณหมอคำพลมาบอกว่าให้ฝึกหยุดคิดเอ๊ะอย่างนี้มันจะขัดแย้งกันไหมคะเนี่ยไม่ขัดแยงแ้งนะครับมันเป็นไปด้วยเรียกว่าจริงๆแล้วควรจะสอดคล้องกันด้วยซ้ําเพราะว่าถึงเวลาคิดเราก็คิดได้แต่ถึงเวลาที่เราควรจะหยุดคิดเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกคิดหยุดคิดไว้และออกจากความคิดให้เป็นเนี่ยมันลําบากนะแหนนอนก็นอนไม่หลับ นะีโดยเฉพาะถ้าเกิดกเรามีความเครียดมีความวิตกกังวลมีความไม่สบายใจนะขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกที่จะออกจากความคิดไม่ฝึกที่จะวางความคิดให้เป็นเนี่ยมันทุกข้ามวันข้ามคืนแหละนะครับแล้วเราก็ต้องพยายามหาเหตุปัจจัยอื่นมาแทรกแซงเช่นไปดูหนักรัอ ง, งเพลงนะครับไปเที่ยวไปเข้าขับเข้า บ, บ, บาร์อะไรกันไป<ะ>นคร่ะนั้นไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรา เยียวยารักษาตัวเองไปด้วยนะครับในการเดียวกันการอ่านมากๆการคิดมากๆกนี่ก็ได้ปัญญาที่จะไปใช้ประกอบสัมมาอาชีพต่างๆนะครับทั้งนั้นเราพูดอย่างงี้ได้ไหมคะคุณหมอว่าให้เราเนี่ยรู้จักคิดในเรื่องที่ควรคิดครับแล้วในขณะเดียวกันในเวลาที่ควรหยุดคิดก็ต้องหยุดคิดให้ได้ให้เป็นอ่าครับออกจากความคิดให้เป็นค่ะอันนี้เขาเรียก ว, ว่ามันจะได้ทั้งสิ่งที่สาระนะครับ แล้วละสิ่งที่มีมีสาระนานและตรงประเด็นวันนี้เลยนะคะให้ค่ะให้เราเนี่ยรู้จักใช้ชีวิตในสิ่งที่เป็นสาระแล้วก็หลีกเล่นห่างจากสิ่งที่ไร้สาระนะคะการคิดเป็นการหยุดคิดเป็นเนี่ยค่ะการคิดเนี่ยมันมีสาระค่ะนะครับมันมีสาระแต่ถ้าหยุดคิดไม่เป็นเนี่ยมันไร้สาระนะนั่นแหละสิค่ะนั่นการหยุดคิดจึงเป็นสิ่งที่ได้ได้สาระอาจจะเคยได้ยินคําสอนของ หลวงปู่ดูละนะครับแต่บอกวคิดเท่าไหร่ไม่รู้นะคิดเท่าไหร่ไม่รู้แต่หยุดคิดยังรู้แต่ที่รู้ได้ก็เพราะอาศัยคิดนะเพราะฉะนั้นการหยุดคิดคือว่าการออกจากความคิดให้เป็นเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญนะที่เป็นการฝึกฝนด้านในของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราออกจากความคิดไม่เป็นนะหยุดคิดไม่เป็นเนี่ยเอเราจะไม่เห็นปรากฏการตามความเป็นจริงที่มันแสดงอยู่ภายในจิตใจของเราได้